ต่อไปนี้จะพูดธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปความรู้ทางธรรมนี้เรียกว่าปัญญาปัญญานี้มีไว้สำหรับดับความทุกข์ใจวิชาความรู้แต่ล ะ, ะแขนงมีเป้าหมายหรือมีหน้าที่ต่างกันไปเช่น ถ้าเรียนทางเกษตรศาสตร์ก็เป็นความรู้ที่เพื่อเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเพาะปลูกต้นไม้พืชต่างๆถ้าต้องการเอาความรู้ไปดับความทุกข์ทางร่างกายก็ไปเรียนทางแพทย์ทางแพทยศาสตร์ ไปเป็นหมอเป็นพยาบาลก็จะมีความรู้ที่จะใช้ดับความทุกข์ของร่างกายได้เจ็นเวลาปวดท้องก็มียารู้ว่าต้องใช้ยาชนิดไหนมารักษาโรคปวดท้องเวลาปวดหัวก็มียาไว้สำหรับมารักษาโรคปวดหัวถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาล ก็จะมีความรู้ในด้านนี้ในการดับทุกข์ทางร่างกายความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ในเรื่องราวต่างๆแต่ไม่สามารถนำมามา ใช้ดับความทุกข์ของใจได้ไม่ว่าจะไปเรียนวิชาแขนงไหนก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนิติศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์วิทยาศสาสตร์ศาสตร์อะไรต่างๆที่สอนกันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นวิชาความรู้ที่จะนำมาดับความทุกข์ใจได้ มาดับความเครียดต่างๆที่มีอยู่ในใจมาดับความไม่สบายอกไม่สบายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจนี่นี่คือความทุกข์ใจที่ไม่มีความรู้ในโลกนี้สามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ใจได้ ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกไม่ว่าในทางแขนงไหนก็ตา ม, มก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ใจเพราะความรู้ที่ได้เรียนนั้นไม่สามารถนำเอามากาจัดความทุกข์ใจได้ถ้าอยากจะกาจัดความทุกข์ใจต้องมาเรียนความรู้ทางธรรมเท่านั้น ความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงค้นพบเนี่ยเป็นความรู้เพื่อเอามาดับความทุกข์ใจต่างๆใจเราทุกหลายรูปแบบอย่างที่ได้แสดงไว้ความเครียดนี่ก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งความหวาดกลัวก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งความวุ่นวายใจก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่ง ความไม่สบายใจก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งความกังวลก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งความเศร้าโศกเสียใจความน้อยจจ็บน้อยใจเหล่านี้เป็นเรื่องของความทุกข์ใจที่ต้องใช้ธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า มาดับเท่านั้นถ้าไม่มีธรรมะคําสั่งคําสอนแล้วจะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ใจไดเ้เพราะเราทุกคนนี่ก็มีการศึกษากันทุกคนไปเรียนหนังสือจบขั้นต่างๆกันมีวิชาความรู้ต่างๆเอามาใช้ในการบําบัดความทุกข์ทางร่างกายได้เอ ความรู้ที่เรามีเราเอาไปใช้ท ร, รมาหากินกันบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นพยาบาลบางคนก็เป็นช่างทำผมบางคนก็เป็นช่างเย็บเสื้อผ้าบางคนก็เป็นวิศวกรมีความรู้ชนิดต่างๆที่เอาไปใช้ในการเลี้ยงชีพได้ คือบำบัดความทุกข์ทางร่างกายได้หาปัจจัยสี่มาให้ร่างกายได้แต่ทุกคนไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ไม่เชื่อลองไปคุยกับใครดูก็ได้ว่าเธอมีความทุกข์ใจบ้างหรือเปล่าเธอมีความไม่สบายใจบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะคุยกับใครไม่ว่าจะมีความรู้ในระดับไหนก็ตาม ทุกคนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจกันทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่มีความรู้ทางธรรมนะ ถ, ถ้าลองไปคุยกับคนที่มีความรู้ทางธรรมดูลองไปคุยกับพระพุทธเจ้าดูลองไปคุยกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายดูท่านบอกเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้จะทุกข์กับอะไรเพราะเราไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่ถืออะไรเป็นของเราะ ความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปถือไอ้นั่นไอ้นี่เป็นของเราเนะพราถือเป็นของเราก็อยากให้มันดีทนะีไม่ว่าเราจะมีอะไรมันไม่มีอะไรจะดีไปตลอดเดีย ว, วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเสียต้องเป็นอะไรไปขึ้นมาพอเป็ น, ปนมันก็ทำให้เราทุกข์ เพียงแต่คิดเพียงแต่รู้ว่าจะตมันจะต้องเป็นแต่ยังไม่เป็นมันก็ทุกข์แล้วเช่นร่างกายนี้ก็เราก็ไปถือว่าเป็นของเราพอไปถือว่าร่างกายเป็นของเราก็อยากให้มันดีกันแต่เราก็รู้ว่าร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพออ่างแต่คิดว่ามันจะแกะ่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแต่ไปคุยกับพระะหันคุยกับพระพุทธเจ้าดู ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราจะไปทุกข์กับมันทําไมอ mm hmm. ต่างกันแค่ตรงนี้เองความรู้ทางธรรมนี้ควจริงไม่ยากครกับสอนให้รู้อย่างเดียวให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเ mm hmm. <laughs> ท่า น, นั้นเองอทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกันเนี่ยเราไปคิดว่าเป็นของเราใช่ไหม mm hmm. เริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยเป็นของเราเล้ว แล้วต่อมาก็ได้ข้าวของเสื้อผ้าตอนเริต้นได้นั่งกายมาต่อมาก็ได้เสื้อผ้าได้พ่อได้แม่พ่อก็เป็นของเราแม่ก็เป็นของเราเดี๋ยวก็ได้พี่ได้น้องตามมาก็เป็นของเราอีกแล้วเป็นไงทุกข์กับเขาหรือเปล่าทุกข์กับพ่อทุกข์กับแม่หรือเปล่าทุกข์กับพี่กับน้องหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวต่อมาก็โตขึ้นก็มีเงินทองก็ทุกข์กับเงินทองเลยเงินทองก็เป็นของเราทรัพย์ ส, สมบัติเข้าของที่เราหาได้ก็เป็นของเราแล้วนี่เราก็อะไรอีกล่ะสามีภรรยาก็เป็นของเราขึ้นมาอีกล่ะตามด้วยลูกด้วยหลานอีกะโอ้ยมีแต่ของเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วเป็นไงอะไรเป็นของเรานี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ สบายใจหรือไม่สบายใจออกังวลหรือไม่กังวลห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยนี่แหละคือการไม่มีความรู้ทางธรรมนี่ทำให้เราถือทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ว่าเป็นของเราโดยที่ไม่รู้ว่าการถือสิ่งต่างๆเป็นของเรานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันทำให้เราไม่สบายใจกัน เราจึงต้องมาศึกษาธรรมะความจริงธรรมะก็สรุปลงที่ตรงนี้แหละว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสัพเพธรรมะอนัตตาของทั้งสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นับตั้งแต่ร่างกายของเราไปนี่สิ่งแรกที่เราได้ก็คือร่างกายใช่ไหมเวลาออกจากท้องแม่มาเนี่ยเราได้อะไรก่อนได้ร่างกาย ต่อมาก็ได้ข้าวของพ่อแม่ก็ซื้อกขนมซื้อของเล่นมาให้เล่นให้ดูให้กินพอได้อะไรมาก็ถือว่าเป็นของเราพอเวลามันจากไปก็เสีย อ, อกเสียใจนี่แหละเรา ไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้พ่อแม่ก็ไม่รู้พ่อแม่ก็สอนเราว่านี่ร่างกายเป็นของเราต้องดูแลเลี้ยงดูมันให้ดีเราก็ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจะได้มีความสุข <c oughs> พอได้มาก็ถือว่าเป็นของเราทันทีได้บ้านได้ช่องได้ที่ดินได้อะไรต่างๆใช มันเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่เคยเป็นของเราเลยของ ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พอเรามาเกิดในโลกนี้ปั๊บเรามาครอบครองทันทีครอบครองมายึดมนาะถือว่าเป็นของเราทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าการไปยึดถือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์กันทำให้เราไม่สบายใจกัน เพราะสิ่งต่างๆที่เรามายึดมาครองนี้มันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดนั่นเองเนียไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดนะตั้งแต่ร่างกายเราไปเนี่ยเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าเปล่า เ, เดี๋ยวถึงเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่า เ, เราไม่ไดเอาอไรายไปเลยร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองของเราเราก็เอาไปไม่ได้ญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาก็เอาไปไม่ได้เราไปถือว่าเป็นของเราทําไมกันถือไปให้ทุกขไ ป, ปเปล่าๆทาไมไม่ลองมาถือว่าไม่ได้เป็นของเราดูบ้างแล้วจะรู้สึกอย่างไรงจะรู้สึกเบาจะรู้สึกสบาย แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรานั่นเองถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเหมือนขาดลมหายใจร่างกายเราลองไม่มีลมหายใจดูสักสามนาทีดูตายไหมลองดมลอง ล, อ ง, ลองไปดำน้ำดูสักพักหนึ่งดำได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องผุดต้องโผล่ขึ้นมา ต้องมามีลมหายใจ เ, เราก็เหมือนกันเราต้องมีร่างกายเพราะเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเอ ง, เ, อ ง, เ, องเราเลยจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วเราก็จะได้ไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปมีคนนั้นมีคนนี้ต่อไป มาให้ความสุขกับเราแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเป็นเหมือนปลาที่มีก้างติดมาด้วยเวลากินปลาแบบไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็ถูกก้างทิ่มปา ก, กอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ลองได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเราจะต้องไม่สบายใจไปกับมันนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงของพวกเราความหลงก็คือการไม่มีปัญญาความรู้ทางธรรมนี่ทำให้เราหลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นของที่จะเป็นให้ความทุกข์กับเราว่าให้ความสุขกับเราเห็นของที่จะเป็นของเห็นของชั่วคราวเป็นของถาวรไปนี่แหละคือการขาดความรู้ทางธรรมเราจึงต้องมาหาความรู้ทางธรรมจากพระพุทธเจ้า หรือจากพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญามีความรู้ทางธรรมที่จะสอนที่จะบอกให้พวกเราไม่ให้ไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราและการที่จะไม่ถือว่าเป็นของเราก็คือเราต้องไม่ มีมันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องไปอาศัยมันนะถ้าเราไปมีมันไปอาศัยมันนี่แสดงว่าเราไปถือว่ามันเป็นของเราแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรเราถึงจะทำให้เราไม่ต้องไปมีสิ่งต่างๆไปถือสิ่งต่างๆมาเป็นของเราเราก็ต้องมีวิธีหาความสุขแบบใหม่นั่นสิ วิธีการหาความสุขของเราในตอนนี้เราต้องมีความสุขผ่านการมีสิ่งต่างๆต้องมีลาบมีเงินมีทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเรียกว่าลาบมีลาบแล้วก็อยากจะมียศใช่อยากจะมีตําแหน่งอยากจะมีเกียรติเกียรติยศมีอำนาจมียศต้องมีอำนาจ สามารถใช้อำนาจของตนคว้านเอาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาเป็นของตนเนี่ยถ้าไม่มียศไม่มีตำแหน่งก็คว้านไม่ได้ลำบากต้องหาเองคนจึงมุ่งไปหายศกันก่อนมุ่งไปหาตำแหน่งกันก่อนใตอนต้นก็เอาแค่ระดับใกล้ตัว ถ้าอยู่หมู่บ้านก็ขอเอาเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนพอได้ผู้ใหญ่บ้านก็เอากำนันต่อจากกำนันก็ไปเป็นอบอจอสมาชิกอบอจ อ, อบอตอว่าไปเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจนขั้นต่อไปก็ไปเป็นสอสอพอได้สอสอก็ไปเป็นรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีแล้วทีนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทีนี้มียศมีตำแหน่งแล้วทีนี้ก็กว้านเอาได้เลยอยากจะได้อะไรเซ็นชื่อแก๊กเดียวนั่นเองกี่ล้านต้องการกี่ล้านขอลายเซ็นหน่อยลายเซ็นกำลังหอมตอนนี้กลายเป็นนายกนี่ลายเซ็นหอมเซ็นแก๊กเดียวผ่านหมดเลย ต้องการทำอะไรไฟเขียวตลอดทุกด่านแต่ถ้าไม่มีลายเส้นันก็ติดไฟแดงไปทุกด่านนี่คือทำไมถึงต้องมียศกันมีตำแหน่งกันมีอำนาจกันเพราะจะได้กวานเอาความสุขต่างๆเข้าใส่ตัวเองให้เข้าใส่ตัวเองกับครอบครัวของตนเอง ให้ภรรยาให้สามีให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้บริษัทบริวารอันนี้เป็นเรื่องของการไปาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนเพอมีตำแหน่งมียศก็ทรัพย์ก็หาง่ายราบ ลาบก็หาง่ายขึ้นเซ็นชื่อปับ๊บเงินก็เข้ามาแล้วอแล้วก็เกตแล้วก็รางวัลก็มาเยอะแยะเละเดี๋ยวคนนั้นก็มอบรางวัลให้นายกคนนี้ก็มอบรางวัลให้นายกเห็นไหมสร้างสะพานยังยัตตั้งชื่อให้นายกเป็นสะพานของนายกเสนอเขาเรียกว่าสรรเสริ ญ, รรญใครได้ยินสรรเสริญก็ชอบใครชมเรานี่เฮะมีความสุขขึ้นมาทันที แต่สวยไม่สวยไม่สําคัญใคระเราอบอกว่าคุณสวยนี่ยิ้มแป้นขึ้นมาก่อนนะถ้าใครด่านี่หน้าบึ้งเลยว่าว่าหน้าเหมือนควายแค่นี้หน้าบึ้งชอบสรรเสริญใครยกย่องว่าสวยว่างามว่าหล่อน่ารักหน้าดูหน้าชมนี่ก็เกิดความสุขขึ้นมา ตาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีลูกระเบิดอยู่ในตัวของมันเองที่มันจะร ะ, ะเบิดตูมขึ้นมาได้ทุกเวลาระเบิดแบบไหนก็ระเบิดแบบหายไปหมดไปนั่นเองมีลาบได้ก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีศก็ กลายเป็นทุกข์ไปได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาคอยสอนใจก็จะลืมกันรู้ว่าทุกอย่างมีวันเสือ่อมมีวันหมดแต่พอไม่คิดถึงมันไปคิดว่ามันไม่เสือ่อมมันไม่หมดมันก็เลยลืมไปว่าความจริงเป็นอะไรเสียแล้วกลับไปคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คิดว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องอยู่กับเราไปนานๆานเป็นของเราไปนานๆานไม่จากเราไปพอเกิดเหตุการณ์ระเบิดตูมขึ้นมามันเสื่อมมันจากเราไปทีนี้ทุกข์ก็กรูกันเข้ามาเลยความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆไหลเข้ามา แบบน้ำฝนนี่ฝนตกนะตอนนี้ฝนไม่ตกก็คิดว่าไม่มีวันฝนจะไม่มีวันตกนะเนี่ยปีนี้ฝนทิ้งช่วงทั้งหลายหลายเดือนนะคนอาจจะลืมไปว่าเรามีฤลดูฝนก็ได้เดี๋ยววันดีคืนดีฝนก็ตกลงมาคนที่ได้ลาบยศสรรเสริญสุขอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าจะมีแต่ได้อย่างเดียวตอนนี้เศรษฐกิจ ของบางประเทศกำลังขึ้นฮุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาคนก็ซื้อหุ้นกันคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูเวลามันร่วงดูดูเวลาหุ้นมันตกดูเดี๋ยวจะมีคนค่าตัวตายกันเยอะแยะนี่แหละเพราะลืมกันลืมว่ามีขึ้นก็จะต้องมีลง ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีขึ้นมีลงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีมาก็ต้องมีไปแลมาุมาตัวเปล่าเปล่าแล้วก็ต้องไปตัวเปล่าเปล่าเนี่ยไม่คิดตรงนี้เนี่ยพวกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเวลามามาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเวลาไปก็ไปตัวเปล่าเปล่า ทรัพย์สมบัติเก้าวของเงินทองหามาได้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวอันนี่คือความหลงความลืมความจริงทุกคนก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันแต่ลืมกันลืมกันเพราะไม่คิดกันนั่นเองโมแต่ไปคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องหาหนู่นหานี่แล้วพอได้ก็คิดว่าจะหาไดหาไปได้เรื่อยๆแล้วพอมีก็คิดว่ามันจะมีอยู่ไปกับเราเรื่อยๆมันก็เลยไม่มันก็เลยเริ่มคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีวันที่มันจะไม่มีวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือการไม่มีความรู้ทางธรรม จะทําให้หลงละเริงกับการมีสิ่งต่างๆการมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขจากสิ่งต่างๆอแต่พอวันใดวันหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์มีอะไรทําให้ไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทรมารใจขึ้นมา ทำไมจึงมีคนฆ่าตัวตายกันก็เพราะเขาเคยมีอะไรแต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วเขาไม่สามารถมีความสุขแบบตอนที่เขาเคยมีมามีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้อยู่ไปทำไมสู้หนีความทุกข์ไปดีกว่า เห็นคนท้อตายแล้วไม่ทุกข์ก็คิดว่าตายแล้วไม่ทุกข์แต่ไม่เวลาคนตายแล้วเขาทุกข์ไหมเวลาเราไปเห็นคนตายนอนอยู่เฉยๆมีข่าวร้ายข่าวอะไรก็ไม่เห็นเขาสะดุ้งไหมเขาหวาดผวา <laughs> เขาสบายแม้แต่มีไฟไหม้ร่างกายเขาเขาก็ยังไม่เดือดร้อนก็เลยคิดว่าตายดีกว่าตายจะได้ไม่ทุกข์กัน อะไรคิดฆ่าตัวตายกันแต่การไปฆ่าตัวตายมันเป็นฆ่าผิดคนคนที่ควรจะฆ่าไม่ฆ่าไปฆ่าไอ้คนที่ไม่ควรจะฆ่าคือฆ่าร่างกายมันไม่มาดับความทุกข์ใจได้หรอกจะฆ่าจะดับความทุกข์ใจต้องฆ่าไอ้ตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจ ไอตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจก็คือไอความหลงนี่ไอตัวที่ไปหลงว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วจามให้ความสุขกับเราพอเวลาไม่มีมันมันก็เลยให้ความทุกข์กับเราถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าการที่เราไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเรานี้เป็นการคิดเพียงครึ่งเดียว คิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบบริบูรณ์เห็นเพียงซีกเดียวเห็นซีกของความสุขที่สิ่งนั้นจะให้กับเราแต่ไม่เห็นอีกซีกหนึ่งคือความทุกข์ของสิ่งนั้นที่จะมาให้กับเราเวลาที่สิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราเสียแล้วไม่ได้เป็นของเราเสียแล้ว ต, ตอนนั้นน่ะมันก็เลยจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่มองสี ก, ส, กสีกที่จะทาให้เราทุกข์กันมองแต่สีกที่จะทำให้เราสุขกันเราเลยหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้พอเห็นอะไรแล้วก็อยากได้เพราะเห็นคนอื่นเขามีแล้วเขามีความสุขก็อยากจะมีความสุขเหมือนเขานะเห็นคนอื่นขับรถเกง๋งราคาแพงๆนี่ก็อยากได้ละใช่ เห็นคนอื่นมีบ้านราคาแพงๆอยู่ก็อยากได้ล่ะเห็นคนอื่นมีแฟนหน้าตาหล่อแล้วมีแฟนสวยๆก็อยากจะได้ล่ะเห็นว่าเขามีความสุขเนี่ยแต่ไม่เห็นซิกอีกซิกเวลาที่เขาทุกข์เนี่ยเวลาที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขามีไปหรือสิ่งที่มีไปเปลี่ยนไปจาก การเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นรถนี่เวลาเสียนี่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะตอนนั้นเป็นยังไงเวลารถเสียนี่ปวดหัวไหมต้องคอยเอาเข้าอู่ซ่อมอยู่เลยขับได้วันสองวันเน่าเสียอีกแล้วยางแตกอีกแล้วสตานไม่ติดอีกแล้วต้องเสียเงินอีกแล้ว น, นี่คือ ซีกที่เราไม่มองกันซีกของความทุกข์ไม่มองกันมองแต่ซีกของความสุขเราก็เลยวิ่งเข้าหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเป็นเหมือนกับกับดักของพานเห็นไหมพานเวลาเขาจะดักสัตว์นี่เขาจะมีของล่อสัตว์มีของน่ากินอยู่ในกับในกับดักนั้นพอเขาไป กินของที่อยู่ในกับดักนั้นมันก็โดนกับดักลัดตัวไว้จับตัวไว้นี่แหละคือการไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยที่เราแสวงหาความสุขกันอยู่ของเหล่านี้มันจะกลายเป็นความทุกข์มันจะสร้างความทุกข์ให้กับเราในลําดับต่อไป ในเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขจากมันได้แล้วมันอาจจะไม่ได้จากเราไปมันอาจจะยังใช้ได้ดีทุกอย่างแต่้ร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันก็มีปัญหาได้นะเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ตอนนั้นต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถหาความสุขจากเงินกองเงินทองกองเท่าภูเขานั้นได้ร่างกายมันไม่สบายนี่จะไปเที่ยวที่ไหนได้จะไปหาความสุขจากอะไรได้ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงอาหารเอาอันโอชะที่เคยกินก็กินไม่ได้ต้องให้พยาบาลอ ให้อาหารทางสายอย่างนี่นั่นแหละเวลานั้นมันจะเอาความสุขจากอะไรนี่คือสิ่งที่คนไม่มีปัญญาจะไม่คิดกันและจะไม่อยากคิดด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นความรู้ที่จะช่วยให้ตนเองไม่ต้องไปติดกับดักของความทุกข์กับไม่คิดกันอยากจะเป็นหูหนวกตาบอด เดินเข้าหากับดักของความทุกข์กันไม่ไม่ยอมคิดว่าร่างกายของเราตอนนี้มันจะดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยต่อไปมันจะต้องเสื่อมลงไปอย่างแน่นอนต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีที่มีอยู่ได้เนี่แล้วตอนนั้นจะไปมีความสุขจากอะไร เมื่อไม่มีความไม่สามารถหาความสุขได้มันก็มีแต่ความทุกข์ใจมีความเหงาความว่าเหวความซร้อยเศร้าความซึเ ม, ซมเศร้าต่างๆโรคซึมเศร้าก็ตามมาทันทีโรคซึมเศร้านี้ก็เป็นโรคจิตนะไม่ใช่โรคทางร่างกายเพียงแต่ว่าร่างกายเป็นเหตุร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ ก็เลยทำให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาบางทีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็ซึมเศร้าได้เพราะไม่สามารถหาสิ่งที่อยากได้หรือได้มาแล้วก็สูญเสียไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ยก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่แหละคือปัญญาทางาศาสนาทางธรรมที่พระพุทธเจ้า สงสอนให้พวกเรามาศึกษากันมาเรียนกันให้เรียนแค่สามอย่างนี้เท่านั้นให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนี่ไม่ไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเป็นของเราเมื่อไหร่มันจะให้ความทุกข์กับเราเมา น, นั้นเพราะมันจะเกิดความอยากให้ของที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราดีกับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดนั่นเอง แต่พอมันไม่อยู่กับเรามันไม่สามารถให้ความสุขตามที่เราต้องการได้ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือให้รู้ให้คิดเสียแต่ต้นว่าเริ่มต้นในเวลาเราเกิดเราเอาอะไรมาบ้างแล้วก็ไปดูตอนจบเลยแล้วเวลาเราตายเราเอาอะไรไปบ้างเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย ให้รู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปถือไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็อย่าไปหวังพึ่งมันให้ความสุขกับเราเพราะมันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถหาความสุขจากมันได้นี่คือการมีความรู้ในเบื้องต้นนะ ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นกับดักของความทุกขนะ์เนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนปลาที่โง่อนี่เห็นเหยื่อติดปลายเบ็ดมันก็ฮุบเลยฮุบเหยื่อเลยแต่คุบเหยื่อพอคุบเหยื่อครับไอ้เบ็ดที่ติดอยู่ปลายเหยื่อมันก็เบ็ดที่มันติดเบ็ดที่มันเกี่ยว เกี่ยวเหยื่ออยู่มันก็เลยไปเกี่ยวปากปลานะแล้วก็ถูกคนตกปลาลากาขึ้นไปใส่หม้อแกงต่อไปนะนี่แหละคือความสุขที่พวกเราหางกันในโลกนี้จากสิ่งต่างๆเนะี่ยสิ่งต่างๆนี่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดและเบ็ดนี้ก็เป็นเบ็ดแบบชนิดที่มองไม่เห็นนะนะความทุกข์เรามองไม่เห็นกัน ความทุกข์ของสิ่งต่างๆนี่ความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญสุขนี่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราเห็นลาบนี่เห็นหมโอ้ยเราน้ําลายไหลเลยได้ยศได้ตําแหน่งนี่น้ําลายไหลได้สรรเสริญได้การยกย่องเยินย อ, อได้ความสุขจากสิ่งต่างๆนี่น้ำลายไหลออพอเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาทันทีเหมือนปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ปลาที่ถ้ามันเห็นเบ็ดด้วยมันจะไปฮุบเหยื่อไหมมันไม่ฮุบหรอกถ้ามันรู้ว่าถ้าไปฮุบเหยื่อแล้วเดี๋ยวจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากมันจะเมินไม่หาอาหารอย่างอื่นดีกว่าไปหาอาหารที่ไม่มีไม่มีตะขอเบ็ดเกี่ยวอยู่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่ความสุขที่เราหาในโลกนี้ก็มีสองแบบเหมือนกับเหยื่อ ที่ติดอยู่กับปลายเบ็ดกับเหยื่อที่ไม่ได้ติดอยู่กับปลายเบ็ดแต่พวกเรารู้จักเพียงแต่ความสุขแบบเดียวความสุขแบบที่มีที่เป็นกับดักของความทุกข์คือความสุขจากลาบยศ ส, สรลเสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพระความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข พอเราไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับเรามันมีความทุกข์ติดมาด้วยเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ถาวรมันไม่เน่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวและมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสื่อมได้จเจริญได้ก็เสื่อมได้ เกิดได้ก็ดับได้อันนี้แหละเป็นตัวปัญหาถ้าเราไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจากสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากมันได้พอมันหมดไปมันเสื่อมไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากมันได้พอไม่มีความสุขเราก็อยู่แบบซ้าบซ้อยง่อยหเหงา อยู่แบบซึมเศร้าอยู่แบบไม่มีความสุขนนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่เราไม่รู้จักการหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ติดมาด้วยเราต้องรอพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้ค้นพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาของพวกเรา ด้วยการมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนสิ่งที่เราหากันเพราะสิ่งที่เราหาอันนี้เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าเราไปฮุบเหยื่อแล้วเราจะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากสิ่งต่างๆที่เราหากันมีกันเพื่อให้ความสุขกับเราเนี่ยเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันจะต้องระเบิดกลายเป็นลูกระเบิดขึ้นมา ระเบิดเอาความทุกข์ใส่กับใส่ให้กับใจของเราเพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ม, มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลา ม, มันจะกลายเป็นมันจะไม่ได้เป็นของเราต่อไปอนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นให้รู้ว่าเรากำลังหลงทางกัน เรากําลังเดินเข้าสู่กับดักของความทุกข์กันถ้าเราเห็นว่าราบยศสระเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นความสุขเนีเท่ากับเรากําลังเดินเข้าสู่กับดักของความทุกข์เนี่ยกับดักของความทุกข์มันจะเอาเอาความสุขล่อล่อใจเราให้เราเห็นโอ้ยนี่ก็สุขอันั่นก็สุขเนี่ยพอได้มาแล้วมันสุขเดี๋ยวเดียว สุขที่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมา otom. คนทีมมม่มีแฟนนี่คงจะรู้ว่าเป็นยังไงเวลาอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาว่าเว่ก็มองไปที่แฟนว่าโอ้ยมีแฟนแล้วจะได้ความสุขกันใช่ไหมจะมีการคิดบ้างว่ามีแฟนแล้วจะมีความทุกข์กันถ้ามีความทุกข์ก็คงไม่มีคนที่ไม่มีแฟนก็มองอย่างนั้นกัน ก็เห็นว่ามีแล้วมีมันทุกมากกว่าสุขเขาก็เลยเหมือนปลาที่ฉลาดเห็นเหยื่อแล้วก็เห็นเบ็ดด้วยหแต่คนที่เห็นแต่สุขอย่างเดียวไม่เห็นทุกข์นั่นแหละอคนนั้นมักจะมีแฟนกันแล้วมีแฟนแล้วไปถามก็ดูว่าเป็นงไงทุกข์ไม่ทุกข์นี่เกิดยกตัวอย่างให้ให้เห็นกัน เพราเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี่มักจะอยากมีแฟนกันเพราะเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวยชีวิตไม่มีรสไม่มีชาติเห็นคนอื่นเขามีแฟนแล้วเห็นอิจฉาเห็นเขายิ้มแมย้มแจ่มใสหัวเราะกิ๊กกักก็เลยคิดว่าเขาคงจะสุขแบบนี้ไปตลอดะ แต่เราไม่ไปเห็นตอนที่เขาตีกันเนตอนที่เขาทะเลาะกันตอนที่เขาด่ากันตอนนั้นเขาทำกันในห้องในบ้านเขาไม่เอามาโชว์ชาวบ้านซึ่งนานๆอาจจะพังเสือรุดออกมานอกบ้านสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไม่เอามาโชว์กันแต่เวลาเขาสุขกันนี่เขาเอามาโชว์ามาอวดกันโอ้ยฉันมีความสุข กับคนนั้นคนนี้คนอื่นที่ไม่มีแฟนก็เลยเห็นว่าโอ้ยมีแฟนแล้วมันสุขอย่างนี้เนอะหนึ่งอยากจะได้แฟนแล้วเป็นไงพอได้แฟนมาแล้วรู้งนี้ไม่มีดีกว่าใช่ไหมแต่ตอนนั้นก็สายไปเส็จแล้วเหมือนกับโดนเบ็ดตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเสียแล้วถ้าอาหารก็แบบเกินไม่เข้าขายไม่ออกจะเกินก็เกินไม่ลง จะคลายก็ยังเสียดายอยู่นี่คือเรื่องที่การขาดปัญญาการมองไม่เห็นความทุกข์ที่มีซ่อนอยู่ในความสุขทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยความสุขทุกรูปแบบไม่ว่าจะสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพะสุขจากคนนั้นคนนี้สุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ร้อนมีความทุกข์ซ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเเพราะเราไม่ได้มาเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้ากันถ้ามาเรียนธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายลักเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะสุขตอนต้นแต่เดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวสุขหายไปทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ แล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันต้องเสื่อมตามการตามเวลาไปของเครื่องใช้ไม่สสยเวลาซื้อมาจากร้านนี่ใหม่เอี่ยมนะแต่พอเรามาดูของที่เราใช้ไปแล้วห้าปีสิบปีเป็นยังไงมันก็เก่าลงไปเก่าลงไปดูบ้านที่เราอยู่กันเวลาซื้อบ้านใหม่นี่สวยงาม ทุกอย่างใช้งานได้ดีพออ็อยู่ไปอยู่ไปเริ่มมีปัญหาตามมามีความเสื่อมหลังคารั่วบ้างมีอั น, นั้นชำรุดบ้างไอ้นี่ชำรุดบ้างนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้คืออนิจจ์ไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการดับ อันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษามองให้เห็นกันให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันเพราะว่าความสุขที่ได้มาพอมันไม่เที่ยงก็แป ล, ปลว่ามันหมดไปนั่นเองพอความสุขมันหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่แล้วก็เป็นเพราะอะไร เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับมันได้บังคับให้มันเที่ยงไม่ได้บังคับให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปเปลี่ยนไปพอมันหมดไปเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมา แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะถ้าเราไม่มีมันเราก็รู้สึกเหงาอยู่ดีเศร้าอยู่ดีฉะนั้นก็เลยยอมยอมเศร้าในภายภาคหน้าแต่ตอนนี้ขอให้มีความสุขกับมันก่อนเราจรึงทิ้งมันไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าต่อไปมันจะทำให้เราเศร้าแต่เราอยู่ปราศจากมันไม่ได้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่ตามนําพังไม่ได้อยู่ปราศจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ปราศจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้พราเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวเหยมันก็เลยต้องมีต้องมีคนนั้นมีคนนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ถึงแม้ว่าอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามส่วนใหญ่ไม่รู้กันแต่บางคนอาจจะรู้อาจจะได้มาฟังธรรมะได้อ่าน ได้ฟังธรรมะได้เรียนธรรมะรู้ว่าของเหล่านี้มันไม่เที่ยงรู้ว่าไม่ช้าก็เลย ว, วันใดวันหนึ่งมันจะต้องพ้นพิษใจเราแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี้มันโดนพิษจากความเหงาอยู่แล้วมันก็เลยต้องหนีพิษของความเหงาของความว้าเหวไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้ไม่เหงาไม่ว้าเหว เพื่อจะได้ความสุขถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนก็ตามแต่อย่างน้อยตอนนี้มันยังเป็นความสุขอยู่แล้ว เ, เวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันเพราะเกิดความทุกข์ก็แยกกันไปหยาดกันไปเพราะตอนนั้นอยู่คนเดียวมันรู้สึกว่าจะดีกว่าอยู่สองคนใช่แล้ว ตอนนี้อยู่คนเดียวนี้มันมีความรู้สึกกลับกันเวลาอยู่คนเดียวมันรู้ส <the> like ึกว่าอยู่สองคนดีกว่าพอไปอยู่สองคนแล้วมันถึงจะรู้ว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามันก็เลยรกิ้งเข้ากิ้งออกอยู่เนะ่ยพอพอมาอยู่คนเดียวสักพักอ่าวรู้สึกอีกแล้วว่าอยู่สองคนน่าจะดีกว่าอีกแล้วไออแมดาราภาพยน ฮอลลีวูดเนี่ยเขาเปลียนคู่กันเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นไหมมีสามีภรรยาคนหนึ่งมันเจ็ดแปดคนนะแต่งแล้วก็ยาหยาแล้วก็แต่งกันอยู่นั้นเข้าๆออกๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่อยู่คนเดียวก็อยากจะมีแฟนคนที่มีแฟนะก็อยากจะไปอยู่คนเดียวเพราะว่ามัน ไม่เจอความทุกข้านั้นเองตอนเวลาอยู่คนเดียวก็มองไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์อยู่ในเห็นทุกข์ที่เกิดจากการอยู่คนเดียวก็เลยอยากจะหนีจากความทุกข์ที่อยู่คนเดียวเห็นว่าไปอยู่สองคนมีความสุขกว่าก็เลยหนีจากการอยู่คนเดียวไปอยู่สองคนพอไปอยู่สองคนได้สักพักหนึ่งความสุขหายไปใช่แล้วความทุกข์เข้ามาทันใหม่อีกแล้ว นี่ก็เห็นว่าไปอยู่คนเดียวดีวกว่าอยู่สองคนอีกนะมันก็เลยเข้าอาออกๆอยู่อย่างนี้นล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดเรายัางใช้วิธีนี้หาความสุขอยู่ถ้าเรายัางใช้วิธีหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่เราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไปจนกว่าร่างกายจะตายร่างกายตายก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่อีกเพราะเรายังไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบวิธีอืนเรารู้จักวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่อีกแล้วก็มาใช้ร่างกายหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้ เราก็จะทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ํำอีกเราเรียกกันเรื่องราวเหล่านี้ว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ ย, ยการหาความสุขแบบนี้ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเปลี่ยนร่างกายร่างกายเก่าแก่เจ็บตายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ จากคนนั้นคนนี้แล้วก็มาสุขมาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้พอทุกข์กับคนนี้ก็เปลี่ยนไปหาอีกคนหนึ่งพอทุกข์กับอีกคนก็ไปเปลี่ยนไปหาอีกคนหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปแบบนี้มันก็เป็นความวิธีการแบบเดิมคือยังต้องหาความสุขจากคนนั้นคนนี้อยู่จากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ งนั้นวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์แบบนี้ไม่มีไม่ใช่เป็นวิธีแก้แก้ไม่จบแก้ได้เดี๋ยวเดียวเวลาอยู่คนเดียวเหงาก็ไปอยู่สองคนความเหงาก็หายไปพอไปอยู่กับสองคนได้สักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากสองคนก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการอยู่กันสองคนก็ต้องหนีอีกอหนีไปอยู่คนเดียวอีกเนี่ย นี่อยู่คนเดียวสักพักก็เหงาอีกแล้วก็กลับไปหาความสุขกับอยู่กับอยู่สองคนอีกมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้จนกว่าจะตายไปตายไปก็กลับไปมีก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาหาแบบนี้กันใหม่เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของของใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ วิธีที่จะแก้นี้ต้องเอาวิธีของพระพุทธเจ้านพระพุทธเจ้าบอกว่าการหาความสุขแบบนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขเป็นการหาความทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นวิธีที่จะหาความสุขนี้ต้องเปลี่ยนวิธีเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากคนนั่นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆ แล้วม า, าความสุขจากการทำใจให้สงบเนี่ยอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้เพราะความสงบนี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเนี่ไม่มีร่างกายหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่ร่างกายพิการเราก็ยังสามารถทำใจให้สงบได้ มีความสุขจากการทำใจให้สงบได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเราต้องมาเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากร่างกายใช้ด้วยการใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือหาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบเราก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจถ้าเราอยู่ใกล้กับสิ่งที่เราเคยชอบเคยติดอยู่พอเห็นแล้วมันจะอดไม่ได้เราเลยต้องไปอยู่ที่ไกลๆจากสิ่งที่เราเคยใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา ต้องหนีไปอยู่คนเดียวเรปปลลียกว่าไปปลีกวิเวกเนี่ยไปปลีกวิเวกไปให้อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่ตางๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แสงสีเสียงแล้วพอได้สัมผัสแล้วใจมันเกิดความเหงาขึ้นมาทันทีเกิดความอยากเสพขึ้นมาทันทีอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นขึ้นมาทันทีอยากจะอยู่ใกล้สิ่งนั้นขึ้นมาทันทียิ่งต้องไปอยู่ที่ไกลๆที่ไม่มี รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมายั่วยวนกวนใจมาดึงใจให้กลับไปหาความสุขแบบเก่านะถ้าเราไปอยู่คนเดียวแล้วทีนี้เราก็ไม่มีอะไรมาดูดเราให้กลับไปแล้วแต่ยังมีตัวผลักให้เรากลับไปอยู่ตัวหนึ่งตัวที่ผลักก็คือความจำความคิดเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็ยังไปคิดถึงความสุขที่เคยมีในอดีตเคยมีความสุขกกับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ พอจำได้พอไปคิดก็อยากกลับไปอีกแล้วสิถึงแม้จะไปอยู่คนเดียวมันยังมีตัวคอยผลักให้กลับไปอยู่ตัวดูดอาจจะไม่มีไปอยู่ในป่าในเขานี่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีคนนั้นคนนี้มามาลอดมาดึงใจให้ไปแต่มันยังมีตัวที่อยู่ข้างในที่จะคอยดันใจไปอยู่ก็คือตัวความจำความคิดนี่ความจำก็สัญญาอารมณ์ คนเราชอบฝันไม่นั่งอยู่คนเดียวฝันถึงอดีตอันแสนหวานมหมอดีตเคยมีความสุขกับที่นั่นที่นี่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้พอมีอารมณ์คิดถึงแล้วก็เกิดความคิดปรุงแต่งยาอยากจะกลับไปหามันอีกแล้วสิพอไปอยู่คนเดียวแล้วขั้นต่อไปก็ต้องหยุดความคิดหยุดความจาให้ได้อย่าปล่อยให้ใจนั่ง เพ้อฝันเพ้อคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีเรื่องเรื่องอนาคตก็ดีนี่ยพอไปปีกวิเวกแล้วถ้าอยากจะทําใจให้สงบขั้นต่อไปก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสตินี้จะเป็นตัวที่จะหยุดความคิดหยุดความความจําในอดีตต่างๆได้ทําให้เราลืมอดีทาให้เราไม่มีอนาคต ทำให้เรามีอยู่แต่แค่ปัจจุบันเราต้องมาทำใจเราให้อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรยอยู่ในป่าคนเดียวมันไม่มีอะไรที่จะมาดูดมาล่อมาดึงมาผลักให้เราไปามันก็จะทำให้ใจสงบได้ง่ายขั้นต้นวิธีการของการสร้างความสุข ที่แบบที่ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายคือเราต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วพออยู่คนเดียวแล้วเราต้องคอยควบคุมความคิดความจำอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันจำถึงอดีตต่างๆที่ผ่านมาเพราะมันพอมั น, พอ ม, นพอมันจำในอดีตแล้วมันอยากจะย้อนอดีตอยากจะกลับไปหาความสุขแบบเก่าอีกเนี่ย เราต้องใช้สติวิธีที่ทำให้เรามีสติก็คือเราต้องใช้กรรมฐานเจริญกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะผูกใจให้เราอยู่ในปัจจุบันเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่มันจะไปคิดถึงอดีตไม่ได้มันจะไปคิดถึงอนาคตไม่ได้มันจะอยู่ในปัจจุบันเราพยายามใช้พุทโธไป หรือถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ร่างกายเป็นตัวผูกใจให้อยู่ในปัจจุบันร่างกายเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเราเอาใจมาผูกกับร่างกายใจของเราก็จะอยู่ในปัจจุบันให้ใจเราเกาะติดอยู่กับร่างกายร่างกายทำอะไรทำไปกับร่างกายร่างกายเดินใจก็เดินไปกับร่างกาย ตามปกติพวกเราไม่ทำอย่างนี้กันร่างกายเดินใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่ได้เดินไปกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารก็ไม่ได้รับประทานกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารเราก็ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนวิธีเราต้องดึงใจมาผูกไว้ให้เด็ดอยู่กับร่างกายให้ได้เพื่อมันจะได้หยุดคิด ถึงอดีตหยุดคิดถึงอนาคตหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันถึงจะสงบได้เนี่ยแล้วพอมันสงบนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทำให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาล้ถ้าใจเราสงบแล้วนี้อยู่คนเดียวได้แล้วทีนี้จะไม่อยากจะอยู่กับอีกคนนึ่งแล้วเพราะอยู่แล้วลำคาญอยู่คนเดียวมีความสุข พออยู่กับอีกคนนึงเดี๋ยวพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่ขึ้นมาพอเราไม่ทํากับเขาเขาก็ด่าเราว่าเราอีกไม่พอใจเราอีกเนี่ยพอคนที่มีความสงบแล้วนี้ไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวแสนจะสุขแสนจะสบายเนะนี่คือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาของเราเนะ เราต้องกาได้ขั้นตอนต้องมองเห็นว่าความสุขต่างๆที่เราหากันในปัจจุบันนี้เป็นความเป็นกับดักของความทุกข์เป็นระเบิดเวลาที่ไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันจะระเบิดความทุกข์ใส่เราเนี่ยพวกเราคอยเตรียมน้ําตากันไว้รับประกันได้ว่าจะน้่งได้หลังน้ําตากันแน่นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าเรายังอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอยู่ เดี๋ยววันใดวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรามันก็จะระเบิดความทุกข์ใส่เราขึ้นมาอันนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้คือการหาความสุขของเราในขณะนี้ไม่เป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขที่เราหานี่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ติดยูที่ซ่อนความทุกข์เอาไว้ซ่อนระเบิดเวลาเอาไว้ พอถึงเวลามันก็จะระเบิดใส่เราพอเรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราจะได้หันหลังให้กับมันแล้วไปหาที่อยู่เงียบๆอยู่คนเดียวไปฝึกสมาธิไปฝึกสติควบคุมความคิดทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขเบื้องต้นก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนเวลาเข้าสมาธิก็สุขเวลาออกมาก็หายไป เหตุที่ทําให้หายไปก็ความคิดของเราความอยากของเราเราก็ต้องพยายามหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยการสอนใจว่าอยากกลับไปหาความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราจำได้ไม่ลืมทุกครั้งที่เราอยากจะกลับไปหาความสุขแบบเก่าเราก็หยุดมันพอหยุดมันความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไป ใจก็จะกลับมาสงบมืนมีความสุขเหมือนเดิมนี่แหละเป็นขั้นตอนของการที่เราจะมาแก้ปัญหามาดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยการใช้ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือขั้นตอนท่านสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เรา กำลังหากันอยู่ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ที่พร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาได้ทุกเวลาพอเราเห็นแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่า พอเราไปหาความสุขจากการทําใจให้สงบขั้นต้นก็หาแบบสงบแบบชั่วคราวด้วยการใช้สติใช้กรรมฐานพอได้ความสงบแบบชั่วคราวแล้วทีนี้ก็เอาใช้ปัญญามาคอยรักษาความสงบนี้ให้เป็นความสงบแบบถาวรต่อไปถ้าเวลาใจเราอยากจะกลับไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราเคยหาเราก็ใช้ไตรลักษณ์ใช้ปัญญามาสอน สอนปั๊บมันก็ไม่กลับไปหาอยู่กับความสงบดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันจากเราไปเป็นความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดเป็นความสุขที่เราจะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปอนี่คือเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัญญา คำสอนของพระเจ้านี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเพียงองค์เดียวนี้เท่านั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาลัง เควะเมวะอิโตทินังเปตตาังอุปปักปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปลายนตุสังกปาจันโทปันะราโสยะธามณิโชติอาราโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตตวันตาราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนศีดิบสะนิจังวุทธาปะจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้แต่ถามได้ช่วงเดียวพอเลิกแล้วก็จะของดยุติถามถ้าอยากจะถามต้องถามช่วงนี้เพราะเดี๋ยวเลิกแล้วต้องทำอย่างอื่นต่อถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา453ย t u b บ357วิทยุออนไลน์23รับฟังข้างบนนี้62คนรวมทั้งหมด895ครับ เจิญเลยถามได้คำถามจากข้างบนนี้นะครับนั่งภาวนาอาณาปานาสติมาสักระยะแล้วแต่ช่วงนี้จิตเคลิม้มง่วงทุกครั้งที่นั่งภาวนาขอพระอาจารย์แนะนำและชี้วิธีแก้ไขด้วยครับสติมีกำลังน้อยไปงั้นอย่าเพิ่งนั่งลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนเดินนานๆชั่วโมงสองชั่วโมงให้มีสติมากๆแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ ฝึกสติก่อนนอกจากเดินจงกรมแล้วก็สามารถฝึกสติใช้พุโทโธได้กับทุกเวลาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ร่างกายผูกใจไว้กับร่างกายทำงานไปกับร่างกายร่างกายทำอะไรใจก็ทำไปกับร่างกาย อย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วต่อไปเวลานั่งจะมีสติมากจะไม่ง่วงจะไม่หลับนะคําถามจากคุณธีรเดชเวลาเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงจนไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ควรทําอย่างไรดีครับ อ, อเวลานั้นก็แล้วแต่คุณจะทำอะไรก็ทําไปเลยจะให้เราบอกไงเราก็บอกว่าให้ ปลุกสติขึ้นมาให้บริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปให้เรอาอดทนต่อสู้กับความเจ็บของร่างกายแล้วก็พยายามใช้ความเพียรสอนบังคับให้ใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนาที่เกิดที่ร่างกาย เดี๋ยวพอใจเริ่มเบาเริ่มสงบแล้วอาการของทุกเวทนาก็จะไม่มารบกวนใจคำถามจากคุณฟ้าคนที่นับถือศาสนาอื่นเมื่อตายไปจะไปนรกสวรรค์เหมือนที่นับถือในศาสนาพุทธไหมครับไปที่เดียวกันนะเหมือนคนคื่องเครื่องบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนขึ้นเครื่องที่จะไปฮ่องกงมันก็พาเราไปฮ่องกงก น้นใจของคนเราเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดก็ตามเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันที่ไปของบุญของบาปก็ที่เดียวกันคำถามจากคุณกาญจนามันเป็นทุกข์เหลือเกินเวลาที่เห็นลูกป่วยไม่สบายลูกร้องไห้จะทำเช่นไรให้หายจากความทุกนี้ได้ครับ ก็พูดโธรไปสิอย่าไปดูลูกน้องให้ปล่อยมันร้องไปเราก็พูดโธรของเราไปเอทําใจให้เราสงบอหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บกันเจ็บไข้ได้ป่วยกันเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาะทุกคนไม่เว้นตอนนี้เป็นคิวของเขา ก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวก็หยุดเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็หายไม่หายก็ตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนฝนตกแดดออกฝนตกก็ต้องปล่อยมันตกไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองเดี๋ยวแดดก็ออกมาคำถามจะผู้ฝากถามถามเรื่องการที่จิต ปรงแต่งไปต่างๆนานาของแต่ละวันอารมณ์ใดที่มากระทบจิตพิจารณาตามแล้วพอรู้ครับส่วนเรื่องความฝันเช่นพรุ่งนี้เช้าเป็นวันพระตอนกลางคืนจะฝันแต่พระมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักบางครั้งก็ฝันเห็นว่าไปวัดแต่ก็ไม่เคยได้ไปอยากท ร, ทราบว่าอย่าไปถือสาหรืออย่าไปยึดติดกับความฝันใช่ไหมครับเอ วิธีปฏิบัติแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยควรจะเอาเวลามาหยุดความคิดดีกว่ามาใช้พุโทโธมาใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือใช้กรรมฐานแบบใดแบบหนึ่งที่เราถูกจริตมาหยุดความคิดจะดีกว่าจะได้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างแท้จริงการไปปล่อยให้จิตมันคิดปรุงแต่งตงเนี้ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเรานั่นนะ คำถามต่อเ น, นื่องครับในอดีตเคยฟังธรรมะขององค์หลวงตามหาบัวเรื่องการกิเลสที่ผู้ชายละได้ยากทีก่สุด <UR> ผมอยากจะทราบว่าจะต้องวางจิตอยู่ระดับใดเพื่อไม่ให้คนรอบข้างมีความรู้สึกอึดอัดและหนักใจตามครับหนักใจตามแล้วเราไปทำอะไรเขาหนักใจนะถ้าเราอยู่เฉย sigui, ๆก็ไม่ไปทําให้ใครก็หนักใจนะ เราไปทำอะไรก็หนักใจเราก็หยุดการกระทำนั้นสิอย่าไปทำให้เขาหนักใจอันนี้คำถามไม่เคลียร์ไม่รู้จะตอบอยังไงคำถามจากคุณแอลสัตว์เดรัชานสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ครับได้แต่ต้องรอให้หมดบาปก่อนบาปที่ส่งไปเกิดเป็นเดรัฉานหมดแล้วถึงจะได้มารอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป คำถามจากคุณแคทภาวนาทำสมาธิรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหลุดออกจากร่างกายเป็นเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเป็นอาการของจิตใจมันปรุงแต่งหลอกเราผลิตอะจิตใจนี้เป็นเหมือนบริษัทผลิตรายการทางทีวีเนะผลิตดราม่าบ้างผลิตหนังบู้อะไรบ้าง ไม่ต้องไปสนใจเวลาเรานั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับพุทธโธหรือลมหายใจเพียงอย่างเดียวส่วนอาการต่างๆก็ปล่อยมันเกิดไปเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเองถ้าเราไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งกับมันคำถามจากผู้ฝากถาม ถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีเมตตาแต่วางใจไม่เป็นไม่ว่าจะเรื่องคนในครอบครัวก็ดีหรือคนนอกครอบครัวก็ดีแล้วนำอารมณ์มาลงกับคนในครอบครัวเราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะเขาไม่เมตตาหรอกถ้าเป็นคนอย่างนี้ไปเมตตาได้ไงคนเมตตาก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับคนอื่น เราก็ทำใจเป็นอูเบขามองเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปเท่านั้นเองอเวลาฝนตกเราก็ต้องอยู่กับมันเวลาแดดออกเราก็ต้องอยู่กับมันเวลาคนเขามีอารมณ์ดีก็อยู่กับเขาไปเวลาเขามีอารมณ์ไม่ดีก็ต้องอยู่กับเขาไปถ้าหลีกได้ก็หลีกถ้าปีกแยกตัวออกไปได้ก็แยกไปเหมือนฝนะถ้าหลบฝนได้ก็เข้าไปหลบหลบแดดได้ก็หลบถ้าไม่มีที่หลบแดดหลบฝนก็ต้องอยู่กับมันไป ครับและถ้าหากท่านเหล่านั้นเป็นพ่อแม่ของเราครับก็เหมือนกันอนะ่ตจาก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราการที่เราหลบเราหลีกไม่ได้หมายความว่าเราไม่กระตันอยู่หรืออะไรเหมือนกับการที่เราต้องหลบฝน ห, หลบแดดนั่นเองแต่เมื่อถึงเวลาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ต้องทําหน้าที่ของเราไปไม่ทอดทิ้งอันนี้พูดถึงการเพียงแต่การอยู่แยกออกกัน ในขณะที่เขามีอารมณ์ไม่ดีเวลามีอารมณ์ดีก็กลับเ้ามาอยู่ใกล้กันได้เวลาเขาพูดจาไม่ดีก็เราก็เดินหนีไปไปทำเข้าห้องซุวมหรือไปทำอะไรของเราไปถ้าไปไม่ได้ก็นั่งพุทโธพุทโธไปปล่อยให้เขาแสดงอาการของเขาไปเดี๋ยวเขาก็หมดแรงเขาก็หยุดเองแค่ว่าเหมือนกับเป็นเด็กก็แล้วกันเราเลี้ยงเด็กเราบางทีก็ต้องทนกับเด็กเนีย เด็กมันอยากจะร้องมันอยากจะเล่นมันอยากจะอะไรก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองคำถามจากคุณนิยาผลกรรมจากการที่คิดไม่ดีกับผู้อื่นจะเป็นอย่างไรครับคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะพูดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางฆ่ากันตายนะ คำถามจากคุณมาริวันประเพณีการไหว้บรรพบุรุษ ด, ด้วยอาหารผู้ที่ตายสามารถรับได้ไหมครับก็ไปดูเสร็จวลาหว้เนียก่อนจะไหว้ก็ชั่งดูก่อนใว่ามันหนักเท่าไหร่เวลาไหว้เสร็จก็มาชั่งดูว่ามันลดเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเท่าเดิมก็แสดงว่าคนตายไม่ได้กินนะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสังขารจิตคืออะไรครับ สังขารก็คือความคิดคิดปรุงแต่งของจิตเนี่ยสังขารมีสองอย่างสังขารที่อยู่ในจิตเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งสังขารที่อยู่นอกจิตก็ของต่างๆที่ผลิตด้วยดินน้ำลมไฟเ็าเรียกว่าสังขารเช่นร่างกายของเรานี่ก็เรียกว่าสังขารผลิตด้วยดินน้ำลมไฟเป็นการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟถ้าเป็นการปรุงแต่งของจิตก็เรียกว่าสังขารจิต ถ้าเป็นการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟเขาเ็าเรียกสังขารเรียกว่าร่างกายต้นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ผลิตด้วยการปรุงแต่งของดินน้ำุมไฟคำถามจากคุณชัยพระโพธิสัตว์ที่บาเพ็ญบารมีเต็มแล้วเป็นชาติสุดท้ายต้องบรรลุธรรมถึงขั้นไหนครับก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย คำถามจากคุณนัทพัฒน์เวลาที่สวดมนต์นั่งสมาธิมีคนทําเสียงดังเขาจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่มีเจตน า, าก็ไม่บาปเนี่ยถ้าเขาเป็นปกติของเขาเขากินเหล้าเมา ย, ยาเฮฮาปาร์ตี้เราไปสวดมนต์มันก็เรื่องของไม่เกี่ยวกัน เราก็ต้องรู้จักเลือกสถานที่ที่สงบเราอย่าไปอยู่กับใกล้กับคนหรือสถานที่ที่มีส่งเสียง ว, วุว่นวายต้องรู้จักเลือกสถานที่ถึงบอกให้ไปปีกวิเวกถ้าอยากจะทำใจให้สงบต้องไปอยู่ห่างไกลาจากแสงสีเสียงต่างๆคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกถ้าภาวนา ใช้คําว่าอัติลมหายใจเข้าอัดลมหายใจออกถิควรตั้งจิตไว้ที่กระดูกหรือที่คําว่าอัติครับที่ลมหายใจถ้าใช้ลมหายใจก็ต้องตั้งอยู่ที่ลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจอัติคําเดียวก็อยู่กับคําว่าอัติไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่กระดูกถ้ากระดูกก็ได้ถ้ามีกระดูกให้เห็นแล้วนึกถึงภาพของกระดูกได้ก็ดูภาพกระดูกแล้วก็ว่าอัติอัติไปก็ได้ คำถามที่สองขณะที่นั่งสมาธิเริ่มรู้สึกว่าร่างกายท่อนบนหายไปแต่รู้สึกตัวตลอดว่านั่งอยู่และเมื่อสักระยะเกิดเวทนาเจ็บปวดถามว่าจะต้องทนพิจารณาให้หายเองหรือสามารถขยับให้หายปวดแล้วนั่งต่อครับ อ, อ๋อไม่ควรขยับควรจะใช้สติภ า, าวนาต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปพุโทโธก็พุโทโธต่อไป อย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายป่อยมันเจ็บไปปวดไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันใจเราไม่เดือดร้อนใจเราจะเย็นจะจะสบายจะเฉยได้คำถามจากคุณนิยาคำถามแรกการเถียงถือว่าเป็นการโต้ตอบหรือเปล่าเจ้าคาและลักษณะของการเถียงเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรา แค่จะอธิบายจัดเป็นการเถียงด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะด้ยต้องไปเปิดพจนานุ ก, กรมด้วเราไม่ได้เป็นนักศึกษาศาสต ร, ร์ถึงจะมาไปเปิดพจนานุ ก, กรมดูก็ว่าเถียงเป็นยังไงอธิบายเป็นยังไงอะไรว่าจะให้เราเป็นทุกอย่างเลยเหรอ <c oughs> ไปถาม Google เลยก o เกิลเนี่ย เ, เขาตอบได้ทุกอย่างคําถามจากคุณสุวพัฒนพี่สาว ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหายใจลำบากและเหนื่อยมากเราจะมีส่วนช่วยในการดูแลจิตใจพี่ในช่วงสุดท้ายนี้ได้อย่างไรบ้างครับออไม่ได้เลยจิตใจใครจิตใจมันอัตาอตาเฮตโนโนาโธยังต้องซ้อมไว้ก่อนต้องเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาก็จะได้ไม่ต้องไปรึ่งใครเหมือนนักมวยพอเข้าเวทีแล้วจะให้โค้ชขึ้นไปบอกซ้ายขวาซ้ายขวามันไม่ได้แล้ว ตอนนั้นน้องมวยต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้ซ้ายดีหรือขวาดีเข่าดีหรือศอกดีคำถามจากคุณแสงการที่เราจะเจริญปัญญาจําเป็นที่จะต้องได้สมาธิก่อนหรือไม่ครับและผู้พิจารณาทางด้านปัญญาต้องผ่านเรื่องร่างกายทุกคนหรือไม่ครับคือปัญญามันมีหลายระดับไหม ปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองไม่ต้องมีสมาธิระดับที่หนึ่งก็คือการศึกษาเรียนรู้จากผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอริยสัจสี่ก็เรียนได้เรียนแล้วขั้นที่สองก็เอามามาพิจารณาทำความเข้าใจจนเข้าใจก็จะจําได้ขั้นที่สองทำเพื่อให้จําได้ขั้นที่สามเนี่ยถึงจะต้องใช้สมาธิ ต้องไปมีสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาขั้นที่สามมาหยุดดับความทุกข์ได้ถึงแม้ว่าทุกจะรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังก็หยุดมันไม่ได้เหั้นถ้าถ้าปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องมีสมาธิถึงจะสา ม, มารถเป็นปัญญาขั้นที่สาม ถ้าเป็นคัญญาปัญญาขั้นถึงที่สองนี้ยังไม่ต้องมีสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปก็เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเอาไปคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้จําได้ไม่หลงไม่ลืมก็เป็นขั้นที่สองแต่ขั้นที่สามนี้ต้องไปฝึกสมาธิแล้วก็ถึงจะเอาปัญญาขั้นที่สองและขั้นที่หนึ่งนี้มาใช้ในการหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ได้คําถามจากคุณสุรจิต วิญญาณขันไม่ควรยึดมั่นต้องพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันไม่มีดวตนมันเป็นดินเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยคำถามจากคุณดิศยาเวลานั่งสมาธิถ้าบริกรรมพุทโธ อยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกายไม่สนใจลมหายใจเข้าออกหรือไม่สนใจความรู้สึกที่ปลายจมูกแต่สนใจแค่คำบริกรรมอย่างเดียวแบบนี้จะเป็นหลักยึดใจที่มากพอในการทำสมาธิไหมครับก็ลองทำดูสิไม่ต้องใช้อะไรใช้พุโทโธคำเดียวนี่ไม่ต้องใช้ลมหายใจไม่ต้องใช้อย่างอื่นถ้าใช้พุโทโธอยู่กับพุโทโธก็พอเพียงเพียงแต่ว่าจะพุโทโธได้สักกี่ กี่มือท่านนั่นเองกี่คำ่านั่นเองก็พุโทโธได้ไม่กี่คำหายไปแล้วกลายเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ขึ้นมาแล้วคำถามจากคุณวินั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงจิตไม่คิดฟุ้งซ่านแต่พออาการอาการปวดเริ่มเกิดขึ้นถ้าเราอดทนกับอาการปวดได้ต่อไปอีกอาการนั้นจะหายไปไหมครับก็ลองทำดูสิมาถามเราทาไม เนไมก็ลองทำดูเลยมันดูว right, ่ามันจะหายหรือไม่หายแต่ถ้าเราทำหรับเราเราคิดว่าใช้พุทโธดีกว่าภาวนาดีกว่าถ้านั่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีอะไรทำอยู่มันก็จะเพลินแล้วมันจะไม่มันไม่กังวลมันไม่มันไม่วุ่นวายไปกับอาการเพราะการเจ็บปวดต่างๆ ฉันไม่ควรนั่งเฉยๆถ้าเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาควรจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆดีปะ่ะคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามลูกเคยเจ็บปวดร่างกายมารักษาหาหมอที่โรงพยาบาลไม่พบโรคแต่พอได้พบพระท่านบอกว่าถูกทำของใส่และได้ไปรักษาตัวก็ไปรักษาและพบว่าโดนกระทาจริงๆเพราะมีบางอย่างออกมา จริงครับทั้งสองครั้งไม่รู้ว่าคนทาจะหยุดเมื่อไหร่และจะทำเราอีกไหมครับก็ไปถามคนรรมาถามเราทำไมเห็นไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเราจะไปตอบได้ไงครับและ เ, เคยมาถือศีลปฏิบัติธรรมและคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นกรรมของเราก็ขอยอมรับชดใช้กรรมไปยินดีอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้และสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมพุโทโธ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมเขาเสมอทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพียงแต่ว่าอย่าไปอยากให้เขาหยุดนัหนเองเพราะอยากให้เขาหยุดแล้วถ้าเขาไม่หยุดก็จะทําให้เราทุกได้ปล่อยเขาทําไปจนกว่าเขาจะเบื่อจนเขาไม่อยากจะทําเองครับและในตอนนี้ก็ตั้งใจรับสินแปดปฏิบัติธรรมเพื่อเอาบุญกุศล อุทิศให้เขาเป็นการขอขมากรรมซึ่งกันและกันคิดว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุดีกว่าไปเที่ยวรักษาบ่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ไปขอขมาเขาไม่ได้หรอกให้เขาให้เขาเอโหอสิให้เราไม่ได้หรอกอยู่ที่เขาเขาจะอโหอสิหรือไม่โหรสิบุญที่เราปฏิบัตินี้มันบุญสําหรับใช้กับเราไม่ได้ไปให้กับเขาเราไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้บุญที่เราทำหรือเปล่าออ เขาอาจยากจะได้อย่างอื่นให้อย่างอื่นเขาถ้าเขาพอใจเขาก็จะเลิกมาลาวีเราใช่ไหมคนที่เช่นเราเป็นหนี้เขาเขาก็จะมาทวงหนี้เราอย่างเดียวคุณจะไปนั่งสมาธิอุทิศบุญให้เขาเขาจะเอาหรือเปล่าเขาไม่เอาหรอก พอคุณใช้นี่เอาเงินจ่ายให้เขาไปเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วฉะนั้นคุณไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณคุณยังไปมั่วว่านั่งสมาธิถือศีลแปะแล้วก็อุทิศบุญให้เขาแล้วเขาจะาโหสิให้เรามันไม่ใช่เนี่ยคำถามจากผู้ฝากถามเวลาที่เรานั่งสมาธิเห็นภาพแล้วมันก็หายไปมันคืออะไรครับมันอนิจจ์งไงมันไม่เที่ยงอย่าไปสนใจมันเป็นอนัตตา เราไปสั่งมันไม่ได้อยู่กับพุโทโธไปเอาอยู่กับของเที่ยนดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามนั่งสมาธิเกิดภาพปรากฏขึ้นว่ามีมีดมาตัดนิ้วตัวเองผมตกใจสะดุ้งและตื่นขึ้นมาควรแก้ไขตัวเองอย่างไรครับก็ยี่ไม่ได้นั่งสมาธิมันนั่งหลับเนะี่ยก็แก้ไขก็ลุก ข, ขึ้นมาเดินจงกรมดีกว่า นังสมาธิแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ลุกขึ้นมาเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวพอเลิกก็อยากจะเข้ามาถามเนะี่ยรอตอนเลิกชอบถามตอนเลิกตอนนี้ไม่เลิกไม่ถามะไม่มีนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เมตตาไม่ได้นะตอนนี้เมตตาเต็มที่แล้วเมื่อไม่รับก็จะมารับทีหลังก็